ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รวมพุทธยาณในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามของพระนวักะันท่านถามว่าวิญญาณมีลักษณะยังไงวิญญาณแปลว่าความรู้พิเศษรู้แจ้งเป็นจิตนั่นเอง แต่ว่าจิตที่ทำหน้าที่รู้ทางประสาทสัมผัสเนี่ยเราเรียกว่าบิญญาณจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อยู่ภายในเน่เรียกวิญญาณธาตุจิตที่ประกอบด้วยกิเลส ก, กรรมไปถือไปจนที่ในขันต์ต่างๆในในในกาเนิดต่างๆนะครับเราเรียกว่าปฏิสนธิบิญญาณแล้วจิตที่ไปเกิดในกำเนิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ในสถานที่นั้น เราเรียกว่าวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณบนแต่และอย่างมันมีความเป็นนามธรรมลักษณะที่สังเกตได้ง่ายก็คือจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสเราเรียกวิญญาณหกในที่นี้แปลว่าความรู้รู้ปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นรอน้อนนางแข็งทางกาย รั่วลมทางใจแล้วก็ไปจําหมายสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไปจําสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์นั่นเองแล้วเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่คิดตอนคิดนี่เขาเรียกว่าจิตตอนคิดนี่เขาเรียกว่าจิตตอนจําอารมณ์นี่เขาเรียกว่าสัญญาตอนรับอารมณ์นี่เขาเรียกวิวญญาณ ตอนรู้อารมณ์นั้นก็อาจจะเรียกว่าสัญญาบ้างเรียกว่าวิญญาบ้างเรียกว่าปัญญาบ้างมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเรียนรู้ของเราว่า <int ess ant> สิญญา่งที่เราเรียนรู้มามานั้นดีงามขนาดไหนก็ <ili> <t Laughs> ต่อไปถามว่าวิญญาณจะเจริญเติบโตไปกับร่างกายด้วยหรือไม่เมื่อร่างกายเติบโตไปเรื่อยๆก็ต้องเติบโตตามนะ าอายุจิตอย่างน้อยต้องสัมพันธ์กันฉ้เราอยุยี่สิบนี่ความรู้สึกนึนคิดต้องเป็นคนวัยี่สิบปีเป็นอย่างน้อยนะแต่เป็นคนวัยสามสิบปีสี่สิบปีก็ยิ่งดีคือตางปกติแล้ววิญญาณคนจะเติบโตกว่าร่างกายนะ่ยเหมือนกับอายุกายยี่สิบอายุจิตห้าสิบนี่ก็ถือว่าเป็นคนอัจฉริยะ มีความฉลาดลึกซึ้งแหลมคมสร้างความประทับใจแก่คนที่มาประสบพบเห็นก็แสดงว่าวิญญาณนะว่าเติบโตไปตามอายุเป็นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเติบโตไปตามอายุอย่างเดียวกอเติบโตไปอย่างน้อยจิตและวิญญาณในความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไงก็อย่างที่บอกนะว่าจิตเนี่ยวิญญาณก็คือจิตจิตก็คือจิต เวลาทำหน้าที่รับอารมณ์เขาเรียกว่าวิญญาณเแล้วเป็นธาตุรู้อยู่ภายในเขาเรียกวิญญาณธาตุเวลาไปถือปฏิสนธิในขันเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิแล้วอยู่ในที่นั้นเรียกวิญญาณติติเธอจิตนั้นเป็นตัวหลักนะฮะเป็นตัวหลักหมายความว่า สีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีรูปเป็นตัวประมันเหมือนกับน้ำอะ่ะเราขึ้นอยู่กับเร า, เอาอะไรเอาสีอะไรไปใส่ลงไปเอารสอะไรใส่ลงไปน้ํานั้นมันก็มีสีอย่างนั้นมีรสอย่างนั้นแต่มันก็เป็นฉากแต่ว่าน้ำเท่านั้นเดงตอนจิตที่ทาําหน้าที่คิดอารมณ์จึงเรียกว่าจิตแต่ตอนทําหน้าที่จําอารมณ์เนี่ยตัวจำในีไม่ใช่จิตนะก็เรียกว่าเจตสิก ก็เป็นสิ่งที่มาปรุงจิตอีกทีหนึ่งปพระเจตสิกเองมันเกิดโดยลำพังมันไม่ได้มันต้องเกิดร่วมกับจิตก็กลายเป็นสัญญาหือความจำาป็นนี้เมื่อพัฒนาความรู้ขึ้นไปลึกซึ้งมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยความรู้เหล่านั้ น, นถูกปัญญาตเรียกอีกทีหนึ่งปวามรูปแบบจําแบบนกแก้วนกุณทองเนี่ย เป็นความรู้ระดับสัญญาคือความจำความรู้ระดับที่รู้แจ้งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้ น, นแล้วก็เรียกวิญญาณเป็นความรู้แจ้งจนความรู้ที่ลึกซึ้งแตกฉางในสาขาวิชาการหล่านั้นก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นปัญญา ก็อาจจะเรียกว่ายานเรียกว่าอะไรก็ได้ก็สรุปว่าทั้งหมดก็เป็นงานของจิตแต่ว่าขึ้นอยู่กับอะไรมาปรุงจิตผลจิตกับปิญญาณก็เป็นอย่างเดียวกันปิญญาณก็คือจิตจิตก็คือปิญญาณนะนะไม่จะ่ใครปรุงแต่งใครแต่ว่าเรียกเวลาทําหน้าที่ระไก่กันนายกอเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะี่ยกับพ่อกอกับสามีกอกับ พนัก ง, งานกอะอะไรตัวเนี่ยนะแต่เขาเรียกตามหน้าที่หน้าที่ที่เขาทำในขณนะนั้นนั้นก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อไปบอกว่าในฐานะพระบวชใหม่กับผมได้ยินและได้ได้เห็นและได้ยินการการะทํต่างต่างของพระภิกษุที่ขัดกับพระธรรมวิ น, นัยหนังสือต้อกว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดมึงกู การกินดูวงเล็บเสียงดังมีความอยากในอาหารกระเพาะอย่างการพูดถึงภาพยนตร์หนังวีดีอะไรซีวีดีแล้วการดูทีวีการดูแข่งบอลการอื่นๆ อ, อ, อีกกับผมอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นทั้งนี้และทั้งนั้นการกระทำเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งสามารถปรงองดัดได้อยากทราบว่าท่านโยคูณมีความเิดเหตนอย่างไรมีข้อแนะนาแก่พระบทหม่อย่างไรบ้าง คือหลักทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการโดยปฏิรียกว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่ความเป็นสมณะแต่การดูโทรทัศน์นั้นเราจะเห็นว่ามันปัญหาว่ารายการอะไรแล้วนั่นเองไม่ใช่กค่ดูโทรทัศน์แล้วก็ผิดหมดว่าดูจะดูได้ทั้งหมดมันไม่ใช่หรฮะรายการที่เป็นข่าวรายการที่เป็นสาธารคดีมีการอภิปรายะอะไรต่างๆนี้ก็ดูไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันเป็นที่มาของความรู้ซึ่งเรา ถ้าเราไปอ่านหนังสือเราอ่านได้หลายวันนั่นนะอ่านหลายวันกว่าจะได้ความรู้ขนาดนั้นแต่เราฟังที่เขามาพูดเนี่ยเราก็ได้ความรู้ในเวลาที่เรเร็วขึ้นประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ดูอะไรนะฮะไม่ใช่ว่าห้างตลอดหรือว่าดูได้ตลอดการพูดจากคนบางคนเนี่ยมันติดนิดสัยติดนิดใสใจในสมัยเป็นคารวา่า บางทีก็บวดมาไม่กี่วันนั่นนะฮะเราไม่รู้จะว่าอย่างไรเขาก็อดกัน้นอดทนกันไปอบรมฝึกปลือสั่งสอนแนะนำตักเตือนกันไปแต่ น, นั้นเองคือจะไปเล่งผลเลรื่องเราจะต้องเรียบร้อยอย่างนั้นอย่างนี้อย่า ง, นางโน้นไปปุปปับฟันดีตันใดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เรียกว่าค่อยทำค่อยไปกันนนั้นเอง ที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าศาสนาพุทธนั้นมีพระพุทธเจ้ามาหลายองค์เป็นความจริงเพียงใดหรือว่าเป็นเพียงความเชื่อบางนิกายของบางนิกายและถ้าเป็นจริงตามนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเกิดสืบต่อไปอีกพระองค์จึงจะถึงองค์สุดท้ายคือพระสีดาเมตรัยคือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเฉพาะในสายเทราวาดโดยตรงนะครับ ก็พูดไปเพียงยี่สิบแปดรูปนับย้อนขึ้นไปจากพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะก็ยี่สิบแปดรูปแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปกติธรรมดาว่าเมื่อถึงยุคหนึ่งเนี่ยต้องเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาหมายความว่าตอนนั้นาศาสนาพุทธก็ต้องไม่มีอยู่แล้วพระรต น, นัธานใจไม่ปรากฏอยู่ในโลกอีกแล้ว ศาสนาพุทพระพุทธเจ้าพระองใหม่ก็จะสัรู้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ง่ายนะฮะมันนานเดกานเลยไม่รู้เมื่ อ, อไหร่กันเออพระสิรยาเมตไจนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายหรอกแต่ว่าองค์สุดท้ายในพัฒกับนี้อยู่พัฒกาบนี้เป็นพัฒกับที่พิเศษมากมีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ นับเป็นประกศกุสันโถประโกนาคมประกัตสะปะพระโคตมะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยและต่อไปก็เป็นพระศีเรยเมตไตรรวมแล้วก็เป็นเป็นห้าองค์ด้วยกันสุดท้ายในพัตตะกับนี้แต่พัตตะกับ ต, ต, ต่อไปมันก็มีได้อีกเนี่ยคือโลกในมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็หมุนวนกันเป็นวัฏจักรอย่างเนี้ย วันพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าเราตามไปพิสูจน์ไม่ได้เรามันเรื่องอดีตอดีตไกลเรื่องอนาคตเราก็พิสูจน์ไม่ได้เราเราก็สนใจเฉพาะปัจจุบันก็พอแล้วนะพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านะฮะสัสรู้ก็คือสัจรว้เรียสัจสี่เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องไปดิ้นรนควาค้าแสวงหาภาษีอ่านถึงเมื่อไร่จะเกิดมาก็ไม่รู้ท่านบอกไว้ ว่าพระสีอาเนี่ยมีอายุตั้งแปดหมื่นปีนะฮะหมายความว่าท่านจะเกิดเมื่อสมัยที่สาวโลกมีอายุถึงแปดหมื่นปีไม่รู้อีกเกท่าไหร่ปีนะฮะกี่ล้านกี่แสนปีก็ไม่รู้ก็เป็นการพูดที่หาบทพิสูจน์ได้ยากแล้วก็ ทำให้เราทิ้งปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของเราเนี่ยไปใส่ใจเรื่องอนาคตไกลเกินไปแล้วก็ไปใส่ใจเรื่องอดีตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะั้เราก็ใช้เรื่องอดีตเชื่อเอาอนาคตก็เชื่อเอาปัจจุบันในใช้ปัญญาให้มากแล้วก็หาประโยชน์จากธรรมะในชีวิตปัจจุบันนี้ให้ได้มากๆตอนนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ขอความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในทิเบตว่ามีความแตกตา่างจากนิกายเทรวะอย่างไรบ้างทิเบตนั้นเป็นนิกายวัชรยานนะก็คือมหายานสาขาหนึ่งนั่นเองแต่ว่าพอดีมันไปปนกับลทัทธิปอนปะซึ่งเป็นลทัทธิดั้งเดิมที่มีอยู่ในทิเบตก็มีรูปแบบพิธีกรรมการไหว้พระการสวดมนต์การศึกษาเราเรียนของเขาก็แตกต่างกันนะฮะเช่นว่าการกราบก็กราบแนตะ่งแสดงกับัณฑิต กราบยืนยืนขึ้นนะฮะยืนขึ้นแล้วก็ย่อเข่าลงแล้วก็กราบกราบอัดสดงกับประดิษฐ์คือประกอบด้วยองค์แปดประการของเราก็่ได้เป็นจังกระปดิ์คือประกอบด้วยองค์ห้านะฮ ะ, ะ, ะเรานั่งเรานั่งกระโยงแต่เขานี่ยืนนะฮะยืนปนมมือแล้วก็เอามือลงแล้วก็ค่อยตัวลงดาบลงไปแล้วก็เหยียดมือออกไป แล้วก็มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องบูรณ์บูนตรีอยู่เยอะนะฮะเราจะเห็นว่ามีเป็นหลอดหลอดเป็นปล่องปลเรียกอะไรบ้างกัไหมว่าแล้วก็มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการหมุนรูปประรำการชักรูปประรำการหมุนวงกลมอะไรอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ถือว่าตัวดาริยลามะเองนั้นเป็นการเกิดซ้ำซากขององค์ดาริยลามะองค์แรก ตายมาเกิดตายมาเกิดตายมาเกิดตายมาแล้วก็มาเกิดใหม่ก้อนก็มีอยู่องค์เดียวก็เป็นความเชื่อปนปนกันหลายเรื่องนะแต่เราดูรายรละเอียดอย่างปนแบบอวตารของพระนาลายปนแบบหลวงพว่อพระที่ตรีกายต่างๆเนี่ยหลายเรื่องสรุปว่าถ้าจะอ่านถ้าจะพูดมันยาวนะเรื่องมันยาว หนังสือก็เป็นเล่มๆนะฮะก็ว่าไว้ในเรื่องตอนนี้ว่าว่ามันเป็นเล่มๆการบวชชั่วคราวเช่นสิบห้าวันหรือหนึ่งพรรษาหรือบวชหน้าไฟเป็นเพียงประเพณีหรือพิธีกรรมที่มีเฉพาะในประเทศไทยใช่หรือไม่มันคงจะไม่มีเฉพาะไทยหรอกฮะลาวกัมเรนี่ก็มีด้วยแต่ว่าเป็นประเพณีที่คนไทยก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปร a r m a ธรรมราชาที่ไทยนะฮะ จ่ต้องการที่จะดึงกุลบุตรเข้าไปบวชเขาเรียกว่าบวชเรียนศึกษาหมายความบวชก็เพื่อศึกษาแล้วเรียนแล้วก็ศึกไปก็หาคู่ครองอมีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นขวาไปก็ในการต่อมาก็มีการเรีนยํากันหลายๆยุค ย, ยสมัยก็เรียกว่ า, ารวมเจ็ดร้อยปีมาเนี้ย ก็ต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีแล้วก็ลาวขเบนก็พี่น้องกันนะนะะก็ได้รับไปเรื่องนั้นมะ้แต่สมรรษักอะไรก็ชื่อเหมือนกันโดยเฉพาะขเบนีนชื่อเหมือนกับเราอ่ะก็แสดงว่าเป็นการถ่ายเทยกันทางวัฒนธรรมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไม่ทําอย่างเราอย่างลังกาพม่าเนี่เาก็ไม่ทําอย่างเรา เขาก็มีการบวชแล้วส่วนใหญ่ก็บวชอยู่ตลอดไปไม่สกหาลาเพศออกมาครองเรือนีต่อไปถามว่าคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เพื่อ น, นำมาเป็นอาหารจะถือว่าเป็นการทำผิดศีลข้อหนึ่งได้หรือไม่มันก็ได้อยู่แล้วนะคืออย่าลืมว่า การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในทางกามการพูดเท็จการพูดการติดสิ่งเสียติดทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสี่ข้อแรกเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จเนี่ยมันเป็นบาปสากุลพวเราจรึงไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างแม้แต่เพื่อจะฆ่าที่ไปประหารชีวิตนักโทษก็บาป ศาลตัดสิน้ประหารก็บาปคือไม่มีใครมีสิทธิจะไปฆ่าใครอ่ะฮะมันเป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานของความเป็นสัตว์มีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพียงแต่ว่าการประกอบอาชีพในทางฆ่าสัตว์นั้นบาปมันไม่มากเพราะว่าสัตว์มีคุณไม่มากแล้วความพยายามไม่มากและเจตนาก็ไม่แรงนะฮะเจตนาก็ไม่แรงแต่จะปฏิเสธบาปไม่ได้หรอก เรามีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ว่าบาปมันก็ไม่ยอมให้เราปฏิเสธหรอกมันก็ให้โทษตามทุกข์วรแกฐานะของมันกีฬาบางอย่างเช่นการยิงลบตกปลาจะบาปหรือไม่บาปนะฮะแต่บาปทำไมในประเทศที่จเจริญแล้วเช่นดุโรอเมริกาจึงนิยมเล่นกีฬาประเภทนี้กันมากตัวนี้ก็มีความเชื่อเป็นพื้นฐานดู คือในกัมพีอ่คุณเทตเมเนในของโบเสสนี่นะประบัญญัติศิปกาในความขามมนุษย์คนนั้นก็ไปเชื่อแล้วก็แสดงว่าฆ่าสัตว์ได้ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรในการฆ่าสัตว์เราลองสังเกตดูความคิดแบบฝรัง่งความคิดแบบาศาสนาเทวนิยมทั้งหลายเนี่ยแต่ของพระพุทธาศาสนานั้นพระพุทธเจ้าเราเป็นคนนะ ก็ถือว่าสัาปชีวิตทั้งหลายก็รักชีวิตแตโนทนอมชีวิตตัวเองไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาเบียดเบียนมาประทุษร้ายตัวเองให้ประสบความเดือดร้อนเพราะจึงเคารบสิทธิในชีวิตของกันและกันแล้วก็ไม่รุง่งระเมิดกันคือประเทศที่จเจริญเนี่ยมันจเจริญในทางวัตถุมันไม่ได้จเจริญในด้านจิตใจ เราจะเห็นว่าพวกนี้เขาทําอะไรหน้าตาเฉยหน้าเฉยตาเฉยนะฮะเาทิ้งก็เบิดอที่อาการนิฐานในี่หน้าเฉยตาเฉยเลยคนตายกันเยอะทีนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประชาชนตาดำดำใจไม่รู้หน่่ยเนีย่ยที่ต้องฆ่าตายไปในมากมายกันก็แต่เขาก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่เราไปทําอย่างนั้นเราก็เดือดร้อนแย่แล้ว มันเป็นความคิดแต่ว่าจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกนั้นผลบุญผลบุญ ผ, ผลบาปเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับแน่นอนเพศก้าที่ทําหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษก็จะมีความผิดและบาปหรือไม่ก็บาปนะคือเราไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะอ้างทําความชั่วแล้วบอกว่าอย่าบาปนะมันไม่มีสิทธิ์ มันเป็นกฎของโลกไม่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเราทําได้อย่างเดียวคืองดเว้นนั่นนะจะให้เกิดความสวัสดีคืองดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพื่ผิดในกรรมไม่ไม่พูดเท็จไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเราทําแค่ได้งดเว้นเท่านั้นเด็กแต่ว่าจะให้ไปถือว่าไม่ไม่บาปสามารถทําได้ยกเว้นเป็นพิเศษอะไแต่ไรไม่ไม่ได้มีการยกเว้น แต่เพชฌฆาตก็อย่างที่บอกนะฮะคือว่าคนที่ถูกประหารนั้นมาเป็นกระบวนการยุติธรรมแต่ยุติธรรมที่มนุษย์สั่งขึ้นแล้วก็ศาลก็ตัดสินไ่ตัมตัวบทกฎหมายคือไม่ใช่ศาลว่าอย่างนั้นแต่กฎหมายเขาว่าอย่างนั้นน่ยศาล ก, ก็ว่าไปตามกฎหมายเพศฌาตก็ประหารไปตามคำสั่งของศาล มันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่เขาต้องทําพราเจตนาเขาจึงไม่แรงคนก็มีคุดไม่มากนะคุณนักโทษปลานี่มีคุดไม่มา ก, ม, ม, ม, ากมีความดีไป ม, มากเจตนาเขาก็ไม่แรงความพยายามก็ไม่มากบาปจึงมีไม่มากแต่ว่าบาปนะฮะบาปจะมีไม่มากแต่ก็บาป คือเราไปเสดตัวบาปไม่ได้ไปเสดได้อย่างเดียวคือไม่ทําไม่ทําสิ่งที่เป็นบาปถ้าทําสิ่งที่เป็นบาปแล้วปฏิเสธว่าไม่บาปเนี่ยไม่ได้ข้อต่อไปถามว่าถ้านักโทษที่ต้องโทษประหาร น, นั้นไม่ได้ทําผิดจริงแต่ต้องถูกประหารไปใครควรได้รับบาปนั้นจะเป็นจะาคาดจะบาปด้วยหรือไม่นะครับ คือถ้าหากว่าเขาไม่ผิดจริงๆคนที่แรงนะคือสารน่ะ จ, จะแรงกว่าแต่ตรงนู้นแหละตั้งแต่ตำรวจอายการสารมาเนี่ยแสดงว่าสามกระบวนการยุติธรรมนี้จะต้อง เ, อเป็นอันหนึ่งเดียวกันเป็นปี่เป็นคุยกันนะะจึงตัดสินคนผิดได้เนี่ยถ้าไม่เป็นปี่เป็นคุยด้วยกันแล้วก็ตัดสินผิดไม่ได้หรอกเพราะันทั้งสามล่านี้ก็ต้องบัง เพชฌฆา ก, ก็ต้องบาปเพราะว่าเพชฌฆานั้นฆ่าประหารชีวิตโดยความรู้สึกว่าเขาเป็นนักโประหารเพชฌฆาไม่มีส่วนไปรู้ว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเนี่ยเพราะบาปจึงเหมือนก่อนคือไม่ไม่แรงไม่แรงแต่กับคนมันเล่นยากนะฮะไม่แรงกับคนมันเล่นยาก เปียนแต่ว่าคนมันมีหลายระดับบางคนมีคุณมากบางคนมีคุณปานกลางบางคนมีคุณน้อยอะไรต่ ะ, ะรเนี่ยการฆ่าคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันเนี่ยก็บาปมันก็ยิ่งย้อนไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเปฏิเสธไม่ให้บาปเนี่ยไม่ได้มันต้องบาปบาปอยู่เป็นธรรมดากองมันก็ต่อไปถามว่า ผู้พิภากษาที่ตัดสินโทษปรหารชีวิตซึ่งตัดสินไปตามข้อมูลแลตัวบทกฎหมายจะบากหรือไม่และเขาจะรับผลกรรมอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกนะฮะศาลก็เป็นการว่าไปตามตัวบทกฎหมายทำอย่างนั้นกฎหมายว่าอย่างนั้นทำอย่างนั้นกฎหมายว่าอย่างนั้ น, น, นมันเป็นกฎของสังคมไม่ใช่เป็นกติกาของโลกนะฮะมันเป็นกฎของสังคม คนในแง่ของสังคมมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ในแง่ของบาปมันก็ต้องมีส่วนบาปอยู่เพระอย่าลืมนะฮะแม่แต่ศีลบาหานคนเนี่ยไม่ใช่สนุกถึงแต่บาปไม่มากเพราะว่าศาลไม่ได้เจตนาอะไรเป็นการส่วนตัวไม่ได้โกรธเคืองไปจําเลยเป็นการส่วนตัวหรือโจทก์เป็นการส่วนตัวศาลว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมของศาลอผิดชอบชดดียังไงก็ เป็นเรื่องของคนเหล่านั้นที่เขาทำเขาเองแต่ว่าการไปมีส่วนในคนอื่นตายเนี่ยยังไงก็ต้องบาปอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาต้องฟังทั้งหลายตร่รุ่มโพธิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงออ ง, งามบรบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี